เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพ้องเดินทางยังไม่มีความจริงเข้าแทรกซึงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจิงปลอมมาตามๆกันอวามรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจล้วนแน่ต้องจัดปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นอยู่หลังร้านนถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิคิดอีกด้วย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 อะไรจะกินก็ําเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปต่างๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั่นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งจอมปลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการนูกฟืนการขุดค้น การปลดเปื่องการแก้ไขสึ่งจำปรมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลําบากยากเย็นกักอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำํำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทําด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทําด้วยความพอใจแล้วยาก ก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาเบาด้วยความพอใจที่จะทําในกิจการนั้นๆจิตหนักนั่นไมไ่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอยากจะทําอะไรนี่ขี่เกียดทําเสียเนี่ยทั้งๆ ท, ง ท, งที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยคิดว่างานนั่นจะหนักงานนี่จะลําบากไปเสียคือความคิดนี่มันหลอกเรา เลยไม่สามารถที่จะทำกิจการ น, น, นั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบืนกางเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลไม่ลวยพยายามบึกบืนหรือตะเกียบตะการไปตามเหตุผลนั้นจะยากลาบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุ เป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสนับผู้มุงม่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นอีนอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาเรียงลดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฟื้นอุปสรรคแล้วความลาบากลาบนมากจนแทบออกชีวิตไปไม่รอด เฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธการก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลําบากทุกสิ่นทุกอย่างถึงขั้นสลบทลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรืเป็นแบบเป็นท่บับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านนา้อยฟังแล้วเปิดความสดุดสังเวช เป็นนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแล้วแต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดชนี้ไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอดตามธรรมตามเหตุตามผลที่ผลพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความพยายามความลุมเมื่อลุนตัว เหมือนอย่างคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน้าอาศาจารันบางทีน้าตาร่วงคือสงสารท่านท่านดำเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าจตเขาทั้งนั้น บ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดูนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกโถงช้างกลางคืนเสียงปุ่นปังปุ่ปังมาท่านกดทนที่ดทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่จะมีป่าไม้วูเขาก็สักแต่ว่าวูเขาเฉยๆต้นไม้ไมหย้าที่ใช้เกิดความชุ่มเย็น ดื่มจิตดื่มภาณาจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียนก็เป็นความไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อทำอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการภาคอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มทีแต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความ เป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออาตรธรรมแม้จะยำ บ, บากยำบากยากเย็นเพียงไรก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะขันในสิ่งต่างๆที่เป็นปเป็นปัจจัยเครื่องอุ่นหนวธาตุขันในพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจเทเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจริงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ไ้จะขันจะขัก็มีเพราะไม่พราหมู่บ้านคน ไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารณ์เนี่ยเพราะเคยอดมาแล้ว น, นั่นไม่ฉันตั้งหลายวันก็เคยมาแล้วพบเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บ้นคนเป็มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเองหมดจะปัญหาเรื่อนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลําบากความหิวความโหยท่านที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกําหนดพิจารณาอัดพิจารณาทาไปเรื่อย ไปที่ไหนครจะพักก็พักคนจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมก็อยู่ที่นั่นเพี้ยบ า, บางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาอะไรก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกับมาฐานนั้น รู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติาการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูว่าของพระธรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่นานน่ะนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้องจะใส่ยึดเปลือกมันเขาไม่ยอใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาคิดว่าพระธรรมฐานท่านไม่ฉันนัวฉันตา <c oughs> ฉันจะถั่วเป็น ง, งาเพราะว่ายอย่างนั้นถั่วนาก็ะม้อเพราะเขาทำไรนี่มีถั่วมีงาเอามาให้ฉาน ท่านไปอย่างนั้นแหะท่านผู้ไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เอารู้เรื่องรู้รานและเขาบอกควรจัดมาถวายเนี่ยจะลําบากแค่ไหนเราสิดด่ดีการมรเคผนของท่านเรื่องความภาคเพียนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านกอลอดเวลาไปด้วยความผาสุอยู่ด้วยความผาสุกภาระยะขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการภาวนา ขอให้ น, นี้สมบูรณ์เป็นลำดับลาดาในยาบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความพุทธปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่นานสาจมั่นเป็นต้นที่ผ่านดาเนินมายากลําบากเป็นเลยถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เส้นอย่างพวกเราแต่ข้ออย่างนี้วัดต่อบรรจักษ์เต็มไปด้วยบิ่มบำรุงบำเรอทั้งหลายให้มัจฉลาลก็าตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนี่แหละทำมันหมอบทำหมอบ ทำจเจริญไม่ได้ตอนในกสิทธบอกถ้านเนรมางองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงที่เหลือของตัวเองนั่นแหละชันมากมเป็นยังไงให้ชังเจนชันมากไม่ใช่เป็นของดีนี่อันนั้นกดปลอมตัวเข้ามาอันนี้ปลอมตัวเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปลอมตัมืดมีแต่เรื่องลินงองอ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทําไม่นี่นี่ระมามุ่งหาอาาัดธรรมแล้วทําเจริญไหม กองวันข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากคุณรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องควบคุมร่างกายที่เป็นการพอกผลยีเดียดมตรเป็นเหตุให้นอนใจสิ่ง น, นั่นเจริญอัดทำไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรือการพิจารณาเอ า, าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความสลดัดใจตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโรคว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทําคนให้ดีเลย เราได้สอนไว้เสมอเพราะอะไรจริงต้องสอนเพราะจริงเหล่านี้มีการทับผมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกําลังมากก็เป็นการเป็นเหตุให้ทับผมจิตใจจิตใ จ, จก็ก้าไม่ออกถ้าร่างกายมีกําลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลําดับเช่นอย่างท่านอดอห า, านนี่องค์ไหนที่ท่านรู้นิสยัยในการอรหานว่าเป็น ประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนตั้งท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นไหมหนาญันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้ผู้สังเกตต้องรู้ในการแก้กทิ่เละการฝึกการทรมานการทำนักที่เละจึงเป็นความทุกข์ลําบากอยู่ไม่น้อยแต่การตั้สมที่เละนั้นเพราะทิเละท่าให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นนหละ แต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจะมาทั้งถึงเห็นผลมากไปโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสูงเติม ด, ดับและเพิ่มกําลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้นะ่น่ะนอกจากเป็นผู้มีพื้นเพย์อันดีมีความคลายาต่ออัตตาธรรมอีกแล้วก็พยายามการส่งเสริมตัเล็กกับการแก้กิเลสเนี่ย มันมันมีน้ำหนักต่างกันพู้ที่มีความพยายามการแ ก, กร้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิกทุกียาบทแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันเราเท น, น้ําลงจากบนเขาไหลตลเอิดเปิดตรงไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแ ก, ก้กิเลสนี้ จึงเป็นเรื่องที้ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรู้ถอนตนให้ท้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขีบ่บังคับออกไปได้โดยลําดับลำดั บ, ดบจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยการไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะไปขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคน ม, มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ ถึงจงกนกระทั่งถึงวันที่นิ่งาหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กาไรเพิ่มเติมเมื่อปีโดยลำหนำ่ำแบบจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทิ้งปปเปล่าๆหาผระไม่ได้เลยนั่นมีจํานวนมากมายหลายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสารานี้รู้สึกจะหายาก ม, มันจะน้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าเราหน้าที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้น โดยที่สาระคุณธาราจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้งเล้งโลกเล้งสานี่มันหาย่ายอย่างมาการู้แต่ปากะจําได้แต่ปากเย็นไปจน น, น, น้ําลายจะไม่มีแล้วเป็นการสั่งสมกิเลสไปข้อการเยน็นเพราะความรุ่งตัวเองเกิดความยั้งพันธ์ขึ้นมามาตนรู้ตนหลักเป็นนักป่าแต่เสียนั่นก็เยอะ ต, ตั้งทังที่โง่เต็มตัวเรื่อนอำนาจของกิเลสครอบไม่รู้จุกตัวมีมาก เว่าหาสาระภายใ น, นใจิตใจมันหายากเวลานี้เรากําลังหาสาระสําคัญให้พันให้แสร็จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่นก็หมดแต่วันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี้กี่วันมันก็หมดไปเท่นั้นวันชีวิตขงเราหมดไปเท่านั้นแหละแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะ พยายามให้ได้ตาม เ, มเวลาที่ผ่านแนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดคนน้นภายนตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเป็นสาคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะมาให้ความยืนยันแน่นอนให่ตนเองธรรมะชันทิฏฐิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจกักษ์ตนเอง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 ต้งพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนําสั่งสอนหลายครั้งหลาหนจนพระนันทะมีความรู้ความเสลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบูมนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วใ น, ในอันที่จะทบ ที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข่าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันน่ะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกลับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือะว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันน่ะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ตึงตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นประจักษ์เป็นหนัวใจของเราแล้วนี่เป็นถ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิง่งกว่าจิต เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมงุ่มกว่าจิตถึงในขณะที่เลสมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนี่มันปลอมไม่หมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางเลี้ยงทางกายท้งตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบลูปเสียงสิ่งรดเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพาให้ป่อ พอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั้นตนได้บากบันน่นอำนาจเขาโดยลำดำ ด, ำดำับมีกําลังขึ้นพลานจิตใจแล้วก็เรื่องความตรอมอย่านั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัาจธรรมเป็นของจริงอยางที่ท่านสอนไว้ในตำหรักตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะขีเดไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงน่ะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่าง กิเลสพาให้ปลอมๆอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเห่งธรรมปลอมจากสาระปริิ่งเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตนเต็มกะทิ่กาลังความสามารถความจําปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความยริงขึ้นมาทุ ก, ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อ น, อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกในจุดนั้นจุดนั้น พอมันไปถือมั่นในความทุกขา น, นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตา่างรู้้งชัดหนึ่งทุกขเวทนาสูุเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบประชัดอวันเป็นสุกตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆหนึ่งส่วนหนึ่งของเวทนาอาจีตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไร แยกแยะให้เห็นทัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุถ้าเกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายของเราก่อนจะไม่สบายในท่านาขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้งองปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้อันก็เป็นสาวบ้าสมุ ท, ทยัยเขาเรียกว่าสมุ ท, ทยัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่จิตใจมันมีคือที่เหตุ ก็ทราบแยกแยกกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจริงอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์อิสาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็เศราบเป็นกิเลสเป็นท่าศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นท่าศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลส ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นคิดเป็นภัยนี่เป็นค่าสิทกับต่อตนเองเราจะไปสำคัญมั่นมหมายหนี่ไปยึดไปเหยียบเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไฟมาเผาตนเองนั่นแหละ่ปัญญานี่อันเนี้ยอันหน้่งจนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดะทุกข์จะเคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ละตั้งแต่วันเกิด ทั้งดิวเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงแค่ดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตตรอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเี่ยเพราะอะไรทึ่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนลคนเหนโลกเกิด ความวุ่นวายและสัมภาระกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนียวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความปวดความหลงราคะตันหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจรัศนาเข้าส่งเสริมไปแล้ ว, ลวอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสบสายที่เดิมดับพเพราะเึงนเองสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนนี่ถ้าเป็น้องของจิเรียบมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้อง ตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความพัฒสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คือเป็นอะไไปอยู่กับใจที่เห็นเหตุเห็นผลเท่านั้นเองยื่นเนข้ามาถึงตัวของเราเองทําไมจิตใจจึงรุ่มร้อนและสำลักสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรูปลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาโรยจิตใจของเราขอมีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟ ทีเลทันหาสละมีสติมีปัญญามีความเพียนหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของความนั้นเข้าห้มหอปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็นใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีสรงเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อ กดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสะวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกทั้งนั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพืินเป็นพายไปด้วยกันทั้นั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอา้าวนี่เทอเรื่องของปลอมของจริงมันทนทั้งหลายนี้พิจนารณาน แต่ขายเปนออเดินเองคือมบอกถึงควรบอกเพียนแค่นี้